เอ็ดวินผู้ซึ่งมีความชำนาญในเรื่องนี้ดีจึงได้บอกกับเราว่าในไม่ช้าเมื่อข้าพเจ้าลงมือทำงานดังที่ตั้งใจไว้ด้วยกันแล้วข้าพเจ้าก็จะมีความสามารถรู้เรื่องนี้ได้ดีขึ้นว่า สัตว์เหล่านี้ได้ทํากรรมอย่างใดไว้จึงต้องได้รับผลเช่นนี้ทั้งนี้เพราะเราไม่จําเป็นต้องไปถามสัตว์เหล่านี้ถึงความเป็นมาแต่เบื้องหลังของเข้าแต่อย่างใดกรรมของสัตว์แต่ละประเภทนั้นเราจะอ่านได้จากรูปร่างลักษณะและดวงหน้าของสัตว์ประเภทนั่นเองนอกจากนั้นผู้ชํานาญในทางนี้จะสามารถทราบได้ทันทีว่า สัตว์ผู้ใดมีความรู้สมนึกผิดแล้วและกำลังต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านก็จะได้ให้ความช่วยเหลือทันทีเท่าที่จะทำได้และเท่าที่กรรมของสัตว์นั้นจะอานวยผลให้ช่วยได้เพียงไรส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่สมนึกผิดยังยินดีในกรรมอันต่ำทรามหมกมุ่นอยู่ในความคิดอันชั่วร้ายของตนเช่นนี้ก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องก่อน เพราะเมื่อเขายังไม่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ไม่มีผู้ใดหรืออำนาจสิ่งใดจะช่วยได้สําหรับภาพที่อยู่น้ำเบื้องหน้าเรานี้เอ็ดวินกล่าวว่าไม่มีประโยชน์อย่างใดเลยที่เราจะคิดสงสารหรือช่วยเหลือด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดเพราะดวงจิตของเขายังถูกขอหุ้มอยู่ด้วยความมืดบอดอย่างหนานแน่น เขาไม่เคยแสดงความรู้สำนึกผิดในกรรมชั่วร้ายแต่ปางก่อนเสเลยตลอดเวลาเขาจะรู้สึกประหลาดใจว่าเหตุใดร่างกายของเขาจึงได้เปลี่ยนแปลงลงไปจนถึงขนาดนี้ดวงหน้าของเขายังบอกให้เราทราบอยู่เสมอว่าหากเขามีโอกาสหรือมีกำลังอีกเมื่อใดเขาจะต้องประกอบกรรมอันเลวร้ายต่อไปอีกยังไม่ยอมหยุดยัง้งบุคคลเช่นนี้ หมดหวังที่เราจะให้ความช่วยเหลือไม่ว่าโดยประการใดๆทั้งสิน้นจากลักษณะของเครื่องห่อหุ้มกายอันขาดกระรุ่งกระริ่งนั้นย่อมแสดงว่าเขาได้รับความทุกข์ทรมานอยู่หน้าที่นี้มาแล้วหลายร้อยปีครั้งเมื่อยังเป็นมนุษย์เขาไม่เคยละเว้นหรือ ป, ปานีผู้หนึ่งผู้ใดเลยหากว่าจะมีช่องกระทำได้เพื่อประโยชน์ของเขาเอง เขาไม่เคยคิดถึงความทุกข์ทรมานทางกายและทางใจของเพื่อนมนุษย์ผู้อื่นเลยในที่สุดกรรมอันเลวร้ายต่างๆที่เขาได้กระทำแก่ผู้อื่นทั้งหมดนั้นได้สะท้อนกลับมาหาเขาอย่างเต็มที่จนหมดสิน้นสิ่งที่เป็นมรดกของเขาในบนัดนี้ก็คือความทรงจำอันไม่มีวันลืมเป็นความทรงจาที่ฝังแน่นอยู่ในสมองชนิดที่จะทาอย่างไรอย่างไรก็ลืมไม่ได้ เขาถูกหลอกหลอนอยู่ได้อํานาจแห่งผลกรรมอันชั่วร้ายในอดีตอยู่ตลอดเวลาเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์เขาได้เป็นผู้บิดเบือนความหมายของคําว่ายุติธรรมเอาตามใจชอบในความคิดเห็นของเขานั้นคําว่าความยุติธรรมไม่มีความหมายอย่างใดนอกจากเป็นเรื่องที่มีไว้สําหรับพูดกันให้ไพเราะเล่นเท่านั้นหนบัด น, นี้ เขาก็ได้รู้แล้วด้วยตนเองว่าความยุติธรรมที่แท้จริงนั้นมีความหมายอย่างไรและเพียงไรความทรงจาอันไม่รู้ลืมที่ฝังอยู่ในสมองตลอดเวลานั้นไม่ได้มีเฉพาะกรรมอลเลวร้ายที่กระทำลงไปอย่างเดียวเท่านั้นแต่ภาพของบุคคลจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องตกเป็นเหยื่อแห่งกรรมอลเลวร้ายของเขานั้นได้มาหลอกหลอนให้เห็นอยู่ไม่ขาดสาย ทั้งนี้เพราะจิตใจของคนเรานั้นจะบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างทั้งดีและร้ายไวในส่วนลึกยังไม่มีผิดพลาดไม่บกพร่องและไม่รู้เลือนหายเข้าลืมไม่ได้จริงๆเพราะเขารู้สึกเสมือนว่ามีอะไรบางอย่างคอยกระตุ้นเตือนทําให้ต้องะระลึกถึงความเลวร้ายของตนเองอยู่ตลอดการนอกจากนั้นความรู้สึกพลาดในใจ ที่ต้องตกมาอยู่ณสถานที่นี้ได้เป็นเครื่องเพิ่มความทุกข์ทรมานของเขาให้ยิ่งขึ้นอีกเป็นทวีคูณเราทั้งสามยืนปรงสังเวชสัตว์ในร่างมนุษย์ตนนี้อยู่ภักใหญ่บอกไม่ถูกว่ามีความรู้สึกเวทนาสงสารหรือไม่เราทุกคนรู้ดีว่าเขากำลังได้รับมรดกคือผลกรรมอันสมควรแก่เขาแล้วจริง ไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปเลยเขาได้กระทำตัวเองลงโทษตัวเองพิภากษาตัวเองและก็กำลังรับมรดกของตัวเองไม่มีพระผู้เป็นเจ้าที่ไหนจะคอยลงโทษมนุษย์หรือคอยแก้แค้นมนุษย์ด้วยความทารุณโหดร้ายแต่อย่างใดเลยความเป็นไปที่เราเห็นอยู่เฉพาะหน้านี้เป็นเรื่องของกฎแห่งเหตุและผล อันไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้โดยแท้ชีวิตในโลกมนุษย์คือส่วนเหตุและความเป็นอยู่ในโลกทิพย์ก็คือส่วนผลนั่นเองอันที่จริงในบรรดาสัตว์ผู้เสวยผลกรรมของตนเหล่านี้หากผู้ใดรู้สมนึกผิดในบาปของตนเองแล้วก็พร้อมที่จะมีผู้ช่วยเหลือให้คำแนะนำเพื่อปลดเปลื้องบาปนั้นให้หมดสิ้นไปโดยรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่ถ้าที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าหน้าบาัดนี้ก็ยังไม่มีผู้ใดมีความสำนึกเช่นว่านั้นเลยในภาวะเช่นนี้เราย่อมไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างใดเลยซึ่งเป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งเพราะความจริงแล้วผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปต่างพากันเอาใจช่วยและคอยหาโอกาสช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ขอแต่เพียงให้สัตว์เหล่านี้สำนึกผิดและคล่โปลดเปื้องตนให้พ้นจากบาปเท่านั้นก็จะมีผู้ช่วยเหลือโดยเต็มใจและโดยไม่ชักช้าเราพากันเดินต่อไปอีกในไม่ช้าก็ได้มาถึงที่โล่งซึ่งมีพื้นที่ราบเรียบกว่าเดิมสังเกตว่าในบริเวณนี้มีผู้คนอยู่หนานแน่นยิ่งกว่าที่เราผ่านมาแล้วแต่อันที่จริง เมื่อข้าพเจ้าเห็นร่างของผู้เเสวยผลกรรมอยู่ในบริเวณนี้โดยใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่าหากมิใช่เป็นเพราะเขาเหล่านั้นได้เคยเป็นมนุษย์มาครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่สมควรจะเรียกว่าเป็นร่างของคนเลยแม้แต่น้อยผู้อยู่ในบริเวณนี้มีลักษณะท่าทางต่างๆกันบ้างก็นั่งอยู่บนก้อนหินเป็นกลุ่มๆ ล, ลักษณะท่าทาง ดูคล้ายๆจะปรึกษาแผนการร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างก็จับกลุ่มกันคู่เข็นทรมานผู้อื่นซึ่งกำลังเสวยกรรมอย่างเดียวกันนาทีนี้ให้ได้รับความทุกข์ยิ่งขึ้นไปอีกดูคล้ายๆกับว่าเป็นการแก้แค้นตอบแทนความผิดที่ได้เคยกระทำไว้ต่อกันมาเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ฉนั้นเสียงกรีดร้องหวยหวนของผู้ได้รับความทุกข์ทรมานเหล่านี้ ดังระงมไปทั่วบริเวณบอกไม่ถูกว่ามันทําให้เราหดหูและสยดสยองอย่างที่ไม่เคยเป็นมาแต่ก่อนเลยเราจึงทําอย่างที่เอ็ดวินแนะนำํำคืออธิษฐานจิตปิดหูเสียไม่ยอมฟังเสียงเหล่านั้นซึ่งปรากฏผลคือทําให้เราได้เห็นแต่ภาพอย่างเดียวอวัยวะแขนขาของร่างของบุคคลเหล่านี้บิดเบี้ยววิกคจนผิดรูป สีสันและหน้าตาเต็มไปได้วยความน่าเกลียดและน่าสะพึงกลัวที่สุดเท่าที่เราจะนึกเห็นได้เฉพาะในเวลาที่ฝันร้ายเท่านั้นบางจำพวกก็กำลังนอนแผ่แพร่ดูเสมือนหมดเรี่ยวแรงอยู่บนพื้นดินหลังจากที่ได้เสวยความทุกข์ทรมานมาแล้วอย่างแสนสาหัสแต่ก็เป็นการนอนรอเพื่อให้มีเรี่ยวแรงขึ้นใหม่เพื่อจะได้เสวยผลกรรมต่อไปใหม่อีกเท่านั้น โดยรอบบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้จะเห็นมีบ่อน้ำสีขุ่นนอยู่ทั่วไปเมื่อเข้าไปดูข้างในระยะใกล้ก็จะเห็นได้ว่าเป็นขุนและเป็นเมือกสปกป่กมีกลิ่นเหม็นอย่างสุดที่จะทนทานได้และเราก็ยิ่งรู้สึกขยะแขยงยิ่งขึ้นไปอีกในเมื่อได้เห็นร่างของผู้เสวยกรรมอยู่ในบริเวณนี้พระตกลงไปในบ่อครังแล้วคลังเล่า พวกเหล่านี้ไม่มีวันจมน้ําตายเพราะเขาจะตายไม่ได้ตราบใดที่ยังใช้กรรมของตนไม่หมดทั้งนี้เพราะพวกเหล่านี้ก็มีจิตใจเป็นธรรมชาติอันไม่รู้จักตายเช่นเดียวกับเราเหมือนกันเท่าที่บรรยายมาแล้วถึงเพียงนี้ท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกได้ดีว่าเต็มไปด้วยความน่าเกลียดน่ากลัวและเร็วซามต่ําช้าอย่างไรบ้าง ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะบรรยายให้ท่านเห็นทุกแง่ทุกมุมของอาณาเขตบริเวณแห่งภูมินี้เท่าที่เราได้ไปเห็นมาทั้งหมดอันที่จริงเราก็ยังไม่ได้เห็นมากมายนักเพราะยังไม่ได้เดินทางเข้าไปถึงส่วนลึกที่สุดของหลุมอันน่าสยดสยองนี้เลยแต่ก็เชื่อว่าคงจะทําให้ท่านบังเกิดมโนภาพถึงความเป็นไปในภูมิเช่นนี้ได้บ้างตามสมควรแล้ว บัดนี้ท่านคงมีความสงสัยว่าสถานที่เช่นนี้เกิดมีขึ้นมาได้อย่างไรและด้วยเหตุใดจึงมีผู้ปล่อยให้สถานที่อันน่าสยดสยองเช่นนี้ดำรงอยู่ต่อไปเพื่อทรมานผู้อื่นโดยไม่มีสิ้นสุดข้าพเจ้าขอตอบคำถามนี้โดยอาศัยหลักความจริงอันใหญ่ยิ่งประการเดียวคือหลักแห่งเหตุและผลนั่นเอง บุคคลผู้ประกอบเหตุดีหรือเหตุชั่วไว้กว็าตามย่อมได้รับผลชนิดนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความจริงท่านจะชอบหรือไม่ความจริงนี้ก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอันขาดเป็นของน่าสยดสยองอย่างแค้จริงเมื่อคำหนึ่งถึงว่าครั้งหนึ่งสัตว์ในร่างมนุษเหล่านี้ได้เคยเป็นมนุษย์เคยท่องเที่ยวอยู่ในโลกมนุษย์ เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายเหมือนกันขอท่านทั้งหลายจงอย่าคิดเลยว่าเท่าที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นการกล่าวที่เกินความจริงแต่อย่างใดอันที่จริงแล้วคําบรรยายของข้าพเจ้าทั้งหลายเหล่านี้เป็นคําบรรยายที่น้อยกว่าความจริงซึ่งด้วยซ้ําทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าก็จนปัญญาไม่สามารถสรรหาคําพูดชนิดใดมาบรรยายความรู้สึกของพวกเรา หรือสภาวะที่เราได้เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นให้ใกล้เคียงต่อความจริงมากกว่านี้ได้อีกแล้วดังนั้นหากความไม่จริงจะมีอยู่บ้างก็คือการบรรยายไม่ถึงความจริงแต่ไม่ใช่เกินความจริงเลยแม้แต่น้อยเมื่อกล่าวตามหลักของกฎแห่งเหตุและผลเราอาจกล่าวได้ว่าเมื่อบุคคลมีจิตใจต่ำช้าจิตใจดวงนั้น ก็ย่อมต้องได้รับมรดก ค, คือความต่ำช้าเป็นธรรมดาพืชแห่งความเลวร้ายอันบุคคลหว่านไว้ในโลกมนุษย์ก็จะผลิตผลเป็นความทุกข์ทรมานอันบุคคลผู้นั้นจะต้องเก็บเกี่ยวในโลกทิพนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าเขาจะชอบหรือไม่ก็ตามถ้าท่านถามข้าพเจ้าว่าใครเป็นผู้สร้างภูมิอันแสนจะต่าช้าเ็วสาม ละเต็มไปได้วยความทุกข์ทรมานปานนี้ไว้ข้าพเจ้าก็ขอตอบว่ามนุษย์ผู้มีจิตใจเร็วซามต่ําชาทั้งหลายนั่นเองได้ร่วมกันสร้างสถานที่นี้ไว้สําหรับตัวของเขาเองในทํานองเดียวกันบุคคลผู้มีจิตใจประณีตก็ได้ร่วมใจกันสร้างภูมิอันเต็มไปได้วยความผาสุกไว้สําหรับตัวของเขาเองภูมิเช่นนี้ย่อมเป็นสิทธิ์เป็นมรดก ของบุคคลผู้มีจิตใจอันเจริญแล้วเป็นผลแห่งกรรมที่เขาจะต้องเสวยโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันจิตใจที่ใสสะอาดก็ย่อมผลิตผลคือสิ่งที่สะอาดธรรมชาติอันสวยสดงดงามต่างๆในโลกทิพย์อันเป็นดินแดนแห่งสุขติภูมิจึงเป็นผลที่ผู้ได้หวานพืชแห่งความดีไว้ในโลกมนุษย์จะพึงเก็บเกี่ยวได้อย่างสมใจ ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าไม่มีใครเป็นผู้บังคับให้สัตว์ผู้เสวยความทุกทรมานอยู่ณที่นี้ต้องเดินทางมาสู่ที่นี้เลยกล่าวโดยสรุปก็คือหลังจากการแตกดับแห่งกายมนุษย์จะเข้าถึงสภาวะแห่งโลกอันสูงหรือต่ำซามอย่างไรก็สุดแต่กรรมของเขาเองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพราะผลกรรมของเขาเอง เป็นไปตามกฎธรรมชาติอันไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีสิทธิพิเศษเหนือกฎนี้แต่อย่างใดเลยเขาได้พิพากษาโทษตัวเองทั้งนั้นความจริงข้อนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติเช่นเดียวกับเมื่อมีกลางคืนแล้วก็ต้องมีกลางวันตามมาฉะนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะร้องขอความกรุณาลดหย่อนผ่อนโทษแต่อย่างใดโลกทิพย เป็นโลกของความยุติธรรมที่ไม่มีข้อยกเว้นแต่อย่างใดทั้งสิน้นเป็นความยุติธรรมอันเกิดจากผลที่ทุกคนได้หวานไว้ด้วยตนเองดังนั้นความยุติธรรมกับความกรุณาจึงอยู่ด้วยกันไม่ได้โดยทางส่วนตัวเราอาจจะยกโทษหรือให้อภัยในความผิดที่ผู้อื่นได้กระทําต่อเราก็ได้แต่โดยกฎแห่งเหตุและผลบุคคลผู้นั้น ก็ยังจะต้องได้รับโทษอยู่ดีเพราะกรรมที่บุคคลกระทำไว้ทั้งทางดีและทางชั่วจะมีอันหายไปเฉยๆไม่ได้เป็นอันขาดการเสวยผลกรรมเป็นเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะของคนทุกคนจะรับแทนกันไม่ได้เช่นเดียวกันกับความตายที่ทุกคนจะต้องผ่านพบด้วยตนเองจะหวังพึ่งผู้อื่นให้ตายแทนนั้นไม่ได้ทั้งนี้หมายความว่า ความพยายามทุกคนจะต้องกระทำด้วยตนเองทั้งสิ้นแต่ความหวังย่อมมีอยู่เสมอสำหรับทุกคนไม่ว่าจะตกตามหรือได้รับความทุกข์ทรมานอย่างใดก็ตามขอแต่เพียงว่าเขาต้องตั้งเจตนาอย่างแน่วแน่เสียก่อนว่าจะกระทำการแก้ตัวในความผิดที่ได้กระทำมาแล้วกล่าวโดยสรุปเขาจะต้องรู้สึกสำนึกผิดเขาต้องพยายามทำความดีลบล้างความผิด ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์จริงๆต่อจากนั้นก็จะมีผู้ยินดีคอยช่วยเหลือให้คําแนะนำและชี้แนวทางให้ตลอดเวลาความพ้นทุกของเขาอาจจะเป็นไปอย่างเชื่องช้าอยู่บ้างแต่ก็เป็นไปอย่างแน่นอนหากเขาไม่เลิกล้มความพยายามเสียกลางคันแม้ในที่มืดแสนมืดแสงสว่างแห่งความหวังย่อมส่องไปถึงได้เสมอ หากเขามีความตั้งใจอันบริสุทธิ์และความภาคเพียรอันไม่ท้อถอยเสียกลางคันตอนที่ก้าสู่อบายภูมิต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในพพอันหาความเจริญมิได้เหล่านี้ส่วนมากได้อยู่มาแล้วเป็นเวลานานปีแล้วปีเล่าในเมื่อเทียบกับเวลาในโลกมนุษย์แต่สำหรับผู้ที่ตกอยู่ในขุมนรกเช่นนี้จะไม่รู้สึกตัวเลย ว่าเวลาได้ล่วงเลยไปช้าหรือเร็วเพียงใดเพราะในความรู้สึกของตนเองก็มีแต่ความมืดมิดอยู่ตลอดเวลาซึ่งไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้พบความสว่างเมื่อใดหรือว่าวันคืนได้ล่วงมาแล้วช้านานเท่าใดความจริงก็มีผู้หวังดีม่ใช่น้อยอยู่เหมือนกันที่ได้พยายามหาโอกาสเข้ามาสู่สถานที่อันน่าสะพึงกลัวเช่นนี้ด้วยความเมตตากรุณา ท่านเหล่านี้คือผู้ที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปอีกมากแต่อาศัยความเอ็นดูใครจะโปรดสัตว์ผู้ลำบากเหล่านี้ให้ได้พ้นทุกข์เสียบ้างจึงได้พยายามเข้ามาณที่นี้เป็นครั้งคราวเพื่อหาทางกล่อมจิตใจของสัตว์ผู้กำลังได้รับความทุกข์ทรมานให้รู้จักผิดชอบชั่วดีขึ้นบ้างจะได้มีทางหลุดพ้นจากผลแห่งกรรมของตนเร็วขึ้นตามสมควร แต่ผลสำเร็จก็หวังไม่ค่อยได้นะักเพราะบางรายก็รู้สึกตัวเห็นความผิดของตนบ้างแต่บางรายก็ไม่ยอมเห็นเอาเสียเลยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะแห่งจิตใจของสัตว์นรกเหล่านี้เองเป็นส่วนใหญ่เพราะเมื่อในจิตใจของตนเองยังมีฝ้าบดบังมากเกินควรจนแสงแห่งธรรมไม่อาจฉายเข้าไปถึงได้เสียเลยแล้วเช่นนี้ก็เป็นอันหมดหวัง ที่ผู้อื่นใดจะสามารถช่วยเหลือได้จากปรากฏการณ์เท่าที่ผ่านมาเราได้ทราบว่าเป็นที่น่าเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่บุคคลบางคนมีระดับแห่งความรู้สึกผิดชอบต่ำและมืดมิดเหลือประมาณจนเป็นอันหมดความสามารถของผู้ช่วยเหลือต้องรอให้แสงสว่างเกิดขึ้นภายในใจของเขาเองซะก่อนแต่ทางนี้ไม่ใช่ถือตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ทางโลก มาเป็นเครื่องตัดสินเสมอไปบุคคลบางคนในสายตาของชาวโลกอาจดูคล้ายกับเป็นผู้มีจิตใจต่ำสามเสือเหลือประมาณแต่ความจริงเขาอาจเป็นผู้มีจิตใจสูงยิ่งก็ได้บุคคลเช่นนั้นอาจได้รับความดูแคลนในโลกมนุษย์ก็จริงแต่ก็จะได้พบผลรางวัลอันน่าชื่นใจเมื่อผ่านเข้ามาสู่ภูมิอันเป็นทิปเช่นภูมิของเรานี้เป็นต้น โดยนัยะตรงกันข้ามบุคคลบางคนเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์ดูหน้าฉากก็เป็นเสมือนผู้มีจิตใจประณีตอย่างยิ่งแต่หลังฉากเป็นผู้สกปรกโสมมมอย่างยิ่งก็มีบุคคลเช่นนั้นภายนอกอาจเป็นผู้มีตาแหน่งยศศักดิ์ปรากฏเสมือนหนึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยแท้จริงแต่ภายในเขาเป็นคนลวงโลกอยู่ตลอดเวลา ชีวิตเช่นนั้นไม่มีแก่นสารในทางธรรมแต่อย่างใดเลยเขาอาจหลอกชาวโลกมนุษย์ให้หลงได้ก็จริงแต่เมื่อกายแตกและวิญญาณผ่านเข้ามาสู่โลกอันเป็นทิพย์แล้วโฉมหน้าของเขาก็จะถูกเปิดขึ้นตามความเป็นจริงของมันครบถ้วนทุกประการณที่นี้เขาจะต้องได้รับโทษทุกตามกรรมที่ได้สั่งสมไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่ท้งนี้ ใช่ว่าพราะผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเขาก็หาม่ได้เขาเป็นผู้ลงโทษตนเองโดยแท้จริงในอบายภูมิเหล่านี้บางชั้นก็ไม่ได้เป็นที่อยู่ของผู้ที่ได้ประกอบกรรมชั่วร้ายไว้เสมอไปทั้งนี้เพราะในบางแห่งก็เป็นสถานที่ชดใช้กรรมของบุคคลผู้มีใจแคบด้วยประการต่างๆบุคคลเหล่านี้ แม้ไม่ได้ประกอบกรรมชั่วร้ายไว้แต่อย่างใดก็ดีแต่เขาก็ได้ปล่อยให้โอกาสแห่งการทำความดีต่างๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายชีวิตของเขาไม่เคยมีประโยชน์ต่อผู้หนึ่งผู้ใดเลยแม้แต่น้อยเพราะเขาไม่ได้คิดถึงผู้อื่นเลยนอกจากตัวเองโดยส่วนเดียวบุคคลเช่นนี้มักจะบน่คนคร่าครวญอยู่เสมอว่า เขาไม่ได้ทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อนแต่ประการใดเลยเหตุฉะนนจึงต้องได้รับผลอันไม่น่าพึงพอใจเห็นปานนี้เขาลืมไปเสียสนิทว่าแม้เขาจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นศัตรูแก่ผู้อื่นก็จริงแต่ก็ได้กระทําตนเป็นศัตรูของตนเองโดยแท้เท่าที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นนี้จะเห็นได้ว่าแม้อายภูมิเหล่านี้ จะเป็นแดนอันหาความเจริญวิได้ด้วยประการทั้งปวงก็ตามแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ผู้ได้รับความทุกขทรมารอยู่ในแดนเหล่านี้จะเป็นผู้หมดหวังด้วยประการทั้งปวงอันที่จริงทุกๆคนได้ชื่อว่ามีหวังที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกขทรมารได้เสมอการทั้งสิน้นช้าบ้างเร็วบ้างตามแต่เหตุการณ์ในบางราย อาจจะต้องกินเวลาตั้งหลายพันปีจึงจะเคลื่อนก้าวไปข้างหน้าได้สักก้าวหนึ่งแต่ถ้าเป็นการก้าวไปในหนทางที่ถูกต้องแล้วก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีการขยับเขยืขย่อนเชเลยความช้ารุ่เร็วแห่งการหลุดพ้นจากกรรมนี้หาได้มีผู้ใดขัดขวางไว้ไม่นอกจากสภาวะแห่งจิตใจของผู้นั้นเองแดนทิพ อันเป็นดินแดนแห่งความสุขสดชื่นนานาประการอันเราสมมติเรียกกันว่าสวรรค์ น, นั้นหาใช่เป็นอภิสิทธิ์ของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะไม่ดินแดนเช่นนี้อยู่ในระยะเอื้อมถึงของทุกๆคนโอกาสที่จะผ่านเข้ามาสู่ดินแดนเช่นว่านี้มีอยู่โดยทั่วไปมิได้จำกัดโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพราะทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันหมด อันที่จริงความเสมอภาคกันนี้ก็ปรากฏว่ามีอยู่ทั้งในนรกและสวรรค์อย่างแท้จริงเพราะในทางสูงมีบุคคลผู้มาจากโลกมนุษย์ในชั้นวัยและอาชีพต่างๆกันได้ฉันใดในทางต่ําก็เป็นฉันนั้นผู้ที่จําต้องมารับใช้กรรมของตนหน้าที่นี้ก็ล้วนแต่มาจากชาวโลกมนุษย์ทุกชั้นทุกอาชีพเหมือนกันบางคราว ในขณะที่เราเดินผ่านไปก็จะแยเห็นดวงหน้าของบุคคลเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนซึ่งสำหรับบุคคลผู้ได้ศึกษามาแล้วจะทราบได้ทันทีว่าเขาเหล่านั้นได้ประกอบกรรมอย่างใดไว้บ้างก็แสดงว่าได้ประกอบกรรมเลวร้ายและต่ำช้าอย่างเหลือประมาณบ้างก็เป็นผู้ตรณีเหนียวแน่นเห็นแก่ตัวอย่างที่สุด บ้างก็เป็นผู้ตกอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภอย่างถอนตัวไม่ขึ้นและบ้างก็เป็นผู้มีอัธยาศัยสันดานต่ำสามไม่ผิดกับสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นโดยเฉพาะบุคคลที่มีชื่อเสียงตราอยู่ในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์หลายต่อหลายคนก็ต้องมาชดใช้กรรมของตนอยู่หน้าที่นี้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งทำให้เราเห็นเจตนาอันแท้จริงซึ่งอยู่เบื้องหลังตัวกรรมของเขาได้อย่างแจ่มชัดยิ่งเพราะบ่อยครั้งเหลือเกินกรรมอันชาวโลกมนุษย์ยกย่องเทิดทูนว่าเป็นวีรกรรมหรือเป็นการกระทาอันสูงส่งและศักดิ์สิทธิ์เสียเหลือประมาณนั้นเมื่อเพ่งดูเจตนาซึ่งอยู่เบื้องหลังแล้วจะเห็นว่าเต็มไปด้วยความสกปรกอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ถึงขนาดนั้น บุคคลเหล่านี้เมื่อดูอาการภายนอกจากการกระทาของเขาในโลกมนุษย์คล้ายกับจะเป็นผู้ฝ่ธรรมก็จริงแต่โดยเนื้อแท้แล้วก็ไม่ใช่อื่นไกลนอกจากความหน้าไหว้หลังหลอกและการหายใจเข้าออกเป็นกามคุณอยู่ทุกขณะส่วนมากของบุคคลประเภทที่ทำความชั่วอย่างร้ายแรงนี้ถ้าจะเทียบกันกับสภาพในโลกมนุษย์ ก็เห็นจะต้องใช้คำว่าขังเดี่ยวนั่นเองและแน่นอนเขาจะต้องถูกขังเดี่ยวอยู่เช่นนั้นตลอดไปไม่มีผู้ใดทราบว่าจะเป็นเวลาช้านานสักเท่าไรอาจจะเป็นหลายร้อยปีหรือหลายพันปีหรืออาจจะมากกว่านั้นจนกว่าเขาจะได้สำนึกผิดและกลับใจตนเองเสียใหม่ซึ่งเขาจะได้โอกาสลดหย่อนผ่อนคลายทุกโทษของตนเองลงได้บ้างตามสมควร ดวงหน้าที่บิดเบี้ยวเยเกจนแ้าไม่เป็นรูปร่างก็ดีลักษณะของรูปกายที่อัปลักษณ์และโสมมจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นลักษณะของผู้ที่ครั้งหนึ่งได้เคยเป็นชาวโลกมนุษย์อันมีลักษณะสมบูรณ์เช่นเราทั้งหลายก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขปลกและความวิปริตทางจิตใจของบุคคลประเภทนี้อย่างแท้จริงในแดนทิพย์เช่นนี้ ไม่มีผู้ใดจะสวมหน้ากากได้อีกต่อไปทุกคนจะต้องเปิดเผยสภา แ, แห่งจิตใจอันแท้จริงของตนออกมาอย่างโจ่งแจ้งและสิ้นไสทีเดียวทั้งในด้านดีและด้านชั่วร้ายผู้ที่รับใช้กรรมอยู่ณที่นี้บางคนอาจจะดูเป็นคนแก่เสิ้นเหลือประมาณแต่ข้าพเจ้าก็ได้รับคำชี้แจงว่าพวกเหล่านี้ อาจจะต้องทนทุกทรมานอยู่นับเป็นเวลาได้ร้อยๆหรือพันพันปีก็จริงแต่แม้กระนั้นที่แลดูเป็นคนชราเช่นนั้นก็หาใช่เพราะความล่วงไปแห่งการเวลาไม่โดยเนื้อแท้แล้วก็เป็นเพราะสภาพแห่งจิตใจอันต่ำสามของตนนั่นเองโดยนัยะตรงกันข้ามคือดังที่กบเจ้าได้เคยกล่าวมาแล้วในสุขติภูมิที่สูงขึ้นไปนั้น ความสะอาดและประนีตของจิตใจจะทำให้รูปกายทิพนั้นสดใสแลดูเป็นหนุ่มสาวยิ่งขึ้นในเมื่อการเวลาได้ล่วงไปโดยลำดับความสดชื่นราเริงและความสวยงามรอบด้านอันเป็นลักษณะของสุคติภูมิจะเป็นเครื่องลบร่องรอยแห่งความทุกข์ทรมานและรอยแห่งความเศร้าหมองนาน า, นาประการที่สัตว์ผู้ประกอบกุศลกรรมเหล่านั้นอาจได้รับมาจากในโลกมนุษย์ ให้หายไปได้เป็นอย่างดีบุคคลผู้ผ่านเข้ามาสู่สุกติภูมินั้นจะเป็นผู้อยู่ในไวไัยใดก็ตามก็จะต้องเปลี่ยนไปสู่วัยหนุ่มสาวเสมอเหมือนกันหมดทั้งสิน้นคือยิ่งอยู่นานก็ยิ่งจะหนุ่มหรือสาวขึ้นทุกทีสภาพในอบายภูมินอกจากจะเต็มไปด้วยภาพที่น่าขยะดขยงและสะพึงกลัวนานาประการแล้วก็ยังเราคนไปด้วยเสียง ที่ฟังแล้วทำให้รู้สึกขนลุกขนพองอีกมีใช่น้อยเสียงเหล่านี้มีตั้งแต่เสียง ห, วหัวเราะแหบแหบคล้ายกับเสียงหัวเราะของคนบ้าคลั่งไปจนถึงเสียงกรีดร้องหวยหวนของวิญญาณที่กําลังเสวยผ ล, ลกรรมได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสสองสาครั้งเราได้พบกับนักบุญผู้อยู่ในสุกติภูมิชั้นสูงขึ้นไป แต่ได้พยายามลงมายังอยายภูมิเช่นนี้ด้วยความกรุณาหวังอนุเคราะห์วิญญาณที่กําลังเสวยกรรมอยู่ให้ได้รับความทุกข์เบาบางลงบ้างเท่าที่จะพอกระทําได้เราได้ทักทายปลาสายกันด้วยความดีใจยอยู่ภาคหนึ่งในความมืดแห่งอยายภูมิเช่นนี้เราผู้มาจากสุคติภูมิยังสามารถเห็นกันและกันได้ดี แต่สําหรับผู้ที่กำลังเสวยผลกรรมอยู่หน้าที่นี้จะไม่สามารถเห็นเราได้เลยเพราะเรามีเครื่องคุ้มกันเป็นพิเศษอยู่แล้วก่อนที่จะเข้ามาในสถานที่เช่นนี้ในกรณีนี้เอ็ดวินนั่นเองเป็นผู้คอยให้ความคุ้มครองแก่เราโดยตลอดในฐานะที่เรายังเป็นผู้เพิ่งมาสู่โลกทิพนี้จึงยังไม่สามารถจะคุ้มครองตนเองได้ ส่วนท่านนักบุญผู้กล้าหาญเหล่านี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าท่านสามารถคุ้มครองตนเองได้เป็นอย่างดีแล้วจึงได้หาญกล้าเข้ารับภารกิจเช่นนี้ได้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหากท่านนักบวชผู้หนึ่งผู้ใดได้มาเห็นสภาพความเป็นไปของบุคคลผู้ก่อหนศเวก ร, รมอันชั่วร้ายของตนอยู่บนสถานที่เช่นนี้ด้วยตาตนเองแล้ว เขาจะไม่พยายามกล่าวหรือยืนยันต่อไปอีกอย่างแน่นอนว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ลงโทษวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันที่พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงพระมหากรุณายิ่งจะสามารถลงโทษมนุษย์เหล่านี้ได้อย่างรุนแรงและสาหัสถึงปานนี้เป็นความรุนแรงเหลือประมาณจนถึงขนาดที่แม้พวกเราเองก็รู้สึกว่า ทนดูแทบจะไม่ได้จริงๆก็แล้วพวกเรานั้นจะเป็นผู้มีความเมตตากรุณามากกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทีเดียวหรือข้าพเจ้ารับรองว่าจะไม่มีมนุษย์คนใดที่มีใจเหี้ยมโหดพอที่จะลงโทษเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างแสนสาหัส ถ, ถึงขนาดนี้ได้เลยท่านทั้งหลายบุคคลผู้ทำบาปชั่วร้ายทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นผู้ลงโทษตนเอง เป็นผู้ก่อให้เกิดสถานที่อันหาความเจริญไม่ได้เช่นนี้เองหาใช่เพราะผู้เป็นเจ้าองค์หนึ่งองค์ใดไม่แค่ที่จริงเป็นผลิตผลแห่งความเลวร้ายของเขาเองที่เขาจะต้องได้รับในเมื่อได้ละกายเนื้อผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วยังหลีกเลี่ยงไม่พ้นบ่อยครั้งพวกเราได้ยินพระในโลกมนุษย์เทศถึงเรื่องเกี่ยวกับจิตใจมนุษย์อย่างผิดผิดพลาดพลาด เพราะความหลงไม่รู้จริงของตนเองซึ่งทำให้รู้สึกเสมือนได้ฟังเรื่องชวนหัวเราะขนาดหนักฉะนั้นสภาวะของสิ่งทั้งหลายรอบด้านเราเป็นประจักษ์พยานได้อย่างดีว่าการเทศของท่านเป็นเรื่องน่าขบขันเพียงใดมันเป็นเรื่องเล้วไหลสิ้นดีที่ผู้ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่อย่างใดกลับทาตนเสมือนว่าเป็นผู้รู้ยิ่งฉะนั้น บรรดาพระกลุ่มที่ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงแต่อย่างใดนี้ต่างพากันสวดอ้อนวอนพระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์เสียอย่างขนานใหญ่ซึ่งแท้ที่จริงก็หาได้มีสาระอย่างใดไม่เพราะการสวดอ้อนวอนต่างๆซึ่งท่านเหล่านั้นสวดก็เป็นเพียงแค่ปากคือสักแต่ว่าสวดไปตามประเพณีเท่านั้นเองพวกนี้พากันปั้นนิทานเลวห ล, หลต่างๆ เข้าใส่ในโอดของพระผู้เป็นเจ้าเสียเป็นผู้เขาเหล่ากาเขาพากันออกเงินสร้างโบสถ์วิหารใหญ่ๆโตๆเพื่อให้พระองค์โปรดปรานเขาต้องการให้ประชาชนทั้งหลายเกรงกลัวพระองค์เสมือนหนึ่งว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความโหดร้ายและฉุนเฉียวและเอาใจยากเสียเหลือประมาณเพราะการที่เหวี่ยงใครต่อใครลงไปในนรกนั้นดูเป็นของง่ายดาย และขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพระองค์เท่านั้นและในที่สุดเขาก็ต้องการให้ประชาชนเห็นว่าพวกพระเท่านั้นที่ได้รับอภิสิทธิ์ให้เป็นผู้แทนของพระองค์โดยชอบธรรมแต่โดยที่แท้ในแง่ของชาวโลกทิพย์แล้วเราก็เห็นว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญาหาความรู้จริงในเรื่องจิตใจหรือเรื่องโลกหน้าไม่ได้เลยอันที่จริง รับรองได้ว่าพวกเราไม่ได้มีความรู้สึกขุนเคืองแต่ประการใดเลยตรงกันข้ามเรากลับพาการสมเพศเวทนาท่านเหล่านี้เป็นอย่างยิ่งขณะนี้เราได้ปรึกษากันและเห็นพ้องต้องกันว่าเราได้เข้ามาสำรวจในแดนอบัยภูมินี้พอสมควรแล้วแม้จะยังไม่ได้หมดทุกซอกทุกมุมก็ตามฉะนั้น จึงควรจะได้กลับไปพักผ่อนอยังภูมิของเราเสียสักทีจากนั้นเราจึงเริ่มเดินทางกลับเพราได้ผ่านดินแดนแห่งหมอกควันอันเป็นแดนกั้นอนาเขตระหว่างอบายภูมิกับสุขติภูมิมาอย่างรวดเร็วและในที่สุดก็เข้ามาสู่ภูมิของเราได้มีโอกาสมาสูดอากาศอันสดชื่นแทนกลิ่นเน่าเหม็นอันน่าสะอิดสะเอียนในอบายภูมิอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทำให้เห็นอำนาจอันมหาศา์ของการอธิษฐานจิตได้เป็นอย่างดีเพราะในขณะที่เราท่องเที่ยวอยู่ในดานอบายภูมินั้นหากเราไม่ได้อธิษฐานจิตปิดหูและจมูกไว้บ้างแล้วเราคงจะต้องทนฟังเสียงหวีดร้องหวยหวนและกลิ่นศพหรือกลิ่นของเน่าต่างๆไม่ได้เป็นแน่ในความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นคิดว่าเราได้จากบ้านของเราไปเซนานพอควร จึงได้เอ่ยชวนเอ็ดวินกับรูทให้ไปแวะที่พมนักของข้าพเจ้าก่อนเพื่อจะได้สำรวจดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ในระหว่างที่ข้าพเจ้าจากไปเสียพักใหญ่นี้และนอกจากนั้นข้าพเจ้าคิดว่าถ้าได้บริโภคผลแอปเปิลในสวนของข้าพเจ้าบ้างแล้วคงจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นขึ้นอีกมิใช่น้อยรูทยังไม่เคยเห็นบ้านของข้าพเจ้ามาก่อน จึงรับคำด้วยความรู้สึกยินดีเมื่อเราไปถึงบ้านของขพเจ้าก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่เป็นปกติเรียบร้อยดีไม่มีเปลี่ยนแปลงอย่างใดซึ่งเอ็ดวินก็ได้อธิบายว่าทั้งนี้เป็นขอธรรมดาในแดนทิปเช่นนี้เพราะเมื่อไม่มีฝุ่นผงหรือสิ่งอันจะทําให้เกิดความเสื่อมโทรมและช่ำรู้สึกหลอแต่ประการใดเลยงานของแม่บ้าน ซึ่งเป็นภาระที่แสนจะหนักและน่าเบื่อหน่ายเป็นอย่างยิ่งของโลกมนุษย์นั้นเป็นอันไม่ต้องคิดถึงอีกต่อไปในโลกทิพย์ความจำเป็นที่จะต้องหาอาหารมาบมรุงเลี้ยงร่างกายก็เป็นอันสิ้นสุดไปในทันทีที่เราได้ละกายเนื้อมาแล้วเพียงเท่านี้ก็จะเห็นได้ว่าภาระอันจำเป็นต่างๆของชาวโลกมนุษย์นั้นหมดความหมายไปโดยสิ้นเชิงในโลกนี้ ฉะนั้นงานดูแลความสะอาดเรียบร้อยของแม่บ้านจึงไม่ต้องมีกันเลยในที่นี้นอกจากนั้นเครื่องประดับบ้านต่างๆก็ไม่มีวันเสื่อมคุณค่ามันจะคงที่อยู่ในสภาพใหม่เช่นนั้นตลอดเวลาที่เราต้องการจะให้มันอยู่การไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องยุ่งยากถึงกับต้องปิดประตูหน้าต่างลงกรอนกันเหมือนที่เราได้เคยทากันมาแล้ว เพราะมันจะเปิดอยู่ตลอดเวลาที่เราไม่อยู่โดยไม่ต้องเกรงอันตรายอย่างหนึ่งอย่างใดเลยเมื่อเรากลับมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะอยู่ในสภาพเรียบร้อยเป็นปกติจะมีผิดปกติบ้างในบางคราวก็ต่อเมื่อมีผู้รู้จักหรือคุ้นเคยมาเยี่ยมเยียนในขณะที่เราออกไปนอกบ้านเขาก็จะมอบของฝากบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นดอกไม้วางไว้เพื่อให้เราทราบว่า เข้าได้มาหาในระหว่างที่เราไม่อยู่เท่านั้นเองตอนที่สิบทะเลในโลกทิฟเมื่อเราได้สนทนากันอยู่สักครู่หนึ่งรูทก็ได้เอ่ยถามเอ็ดวินด้วยเรื่องที่เขาพระเจ้าเองก็นึกใคร่จะถามอยู่นานมาแล้วเช่นกันคือในโลกทิฟ์นี้จะมีทะเลหรือมหาสมุทรบ้างหรือไม่เพราะเธอคิดเอาเองว่าในเมื่อยังมีภูเขารำทานได ก็น่าจะมีทะเลได้เช่นเดียวกันคำตอบของเอ็ดวินทำให้เราดีใจยิ่งขึ้นเป็นอันมากเพราะเขาตอบว่าเป็นของแน่นอนที่จะต้องมีและมีไว้อย่างสวยงามอย่างยิ่งเสียด้วยซึ่งรูธก็ได้ขอร้องให้พาเราไปในทันทีไม่ปรากฏว่าเอ็ดวินขัดข้องแต่อย่างใดและแล้วอีกครู่หนึ่งต่อมาเราก็ได้เห็นภาพอันสวยสดงดงามสมดังใจนึก เบื้องหน้าเราเป็นทัศนียภาพอันตรการตาอย่างที่เราไม่เคยได้เห็นมาก่อนเลยเป็นสนามหญ้ากว้างลาดขึ้นไปหาเนินสูงซึ่งอยู่ไม่ไกลออกไปนักโดยรอบมีพันธุ์ไม้ดอกนานาชนิดประดับอยู่เป็นระยะเมื่อประกอบกับพื้นหญ้าอันนุ่มและเขียวขจีทําให้รู้สึกว่าเป็นลักษณะของสวนดอกไม้ที่มีค่าของความงาน เกินคำชมใดๆทั้งสิ้นเมื่อเราเดินมาถึงยอดเนินภาพของทะเลหลวงก็ปรากฏชัดแก่สายตาท่านอาจจะเคยเห็นท้องทะเลในโลกมนุษย์มาหลายครั้งแล้วก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าจะไม่มีหน้าที่แห่งใดเท่าเทียมภาพที่ปรากฏอยู่หน้าเบื้องหน้าเรานี้เลยสีน้ำเงินของพื้นน้ำดูเหมือนจะเป็นเงาฉายของสีทองฟ้าอย่างแท้จริง และยิ่งเมื่อพิจารณาดู ล, ลอกร่บนพื้นน้ำด้วยก็จะแลเห็นเสมือนเป็นสีรุง้งฉาบไล้อยู่โดยทั่วไปพื้นน้ำเงียบสงบแลเห็นเกาะอยู่ไกลออกไปทางขอบฟ้าทำให้รู้สึกว่าน่าจะไปเที่ยวชมทัศนียภาพของเกาะเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่งที่ชายหาดมีบุคคลมากหน้าหลายตากำลังเดินบ้างนั่งบ้าง สแสวงหาความสําราญอยู่เช่นเดียวกับเราเหมือนกันที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเห็นภาพต่างๆล่องลอยบนผิวน้ําเป็นระยะระยะซึ่งเอ็ดวินกล่าวว่าหากเราต้องการจะลงไปเที่ยวเล่นในเรือเหล่านั้นบ้างก็ได้ผู้เป็นเจ้าของเรือเหล่านั้นบางรายก็ถือเอาเรือของเขาเป็นบ้านสําหรับอาศัยอยู่เชเลย ทั้งนี้เป็นความสมัครใจของแต่ละบุคคลเองและการอาศัยอยู่ในเรือซึ่งล่องลอยไปในทะเลหลวงเช่นนี้ก็ไม่มีอันตรายแต่อย่างใดเพราะในที่นี้จะไม่มีภัยจากพายุหรือฝนอันร้ายแรงดังเช่นในโลกมนุษย์เลยจริงอยู่แม้ทะเลของเราจะไม่มีเมฆหมอกมืดคลึ้มปกคลุมหรือมีท้องฟ้าสว่างสลับกันไปดังเช่นโลกมนุษย์ก็ตาม ก็ไม่ได้หมายความว่าทัศนียภาพของเราจะเป็นภาพซ้ำซากอย่างเดียวจนทําให้ดูจืดในตาหน้าเบื่อเช่นนั้นเลยตรงกันข้ามทะเลที่นี่มีแสงสีรุ้งต่างๆหมุนเวียนเปลี่ยนสลับกันไปมาอยู่ตลอดเวลาอย่างน่าดูเป็นภาพที่ท่านจะนึกฝันไม่ถึงเลยทีเดียวและน้ํานั้นเมื่อเราลงไปอาบ ก็จะมีแต่ความรู้สึกอบอุ่นสบายอย่างเดียวรับรองว่าจะไม่รู้สึกหนาวจนเย็นอย่างที่เราเคยพบมาในโลกมนุษย์เลยข้อสำคัญที่สุดก็คือเราจะไม่จมลงไปในน้ำจนถึงกับเป็นอันตรายแก่ชีวิตเป็นอันขาดกล่าวโดยสรุปก็อาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีสิ่งอันเป็นอันตรายแก่ชีวิตของเราแอบแฝงอยู่ณที่ใดๆในท้องทะเลนี้เลย การอาบน้ำทะเลของเราก็เปรียบเสมือนการฟื้นฟูกำลังความชุ่มชื่นให้แก่ตนเองยิ่งขึ้นโดยส่วนพื้นทรายที่เราเดินไปด้วยกันนั้นแม้ดูเผินๆจะมีลักษณะเช่นเดียวกับพื้นทรายของโลกมนุษย์ก็จริงแต่โดยคุณลักษณะแล้วก็แตกต่างกันมากเราได้ลองกอบขึ้นมาดูกำมือหนึ่งและก็จะรู้สึกได้ทันทีว่า มีความอ่อนนุ่มต่อการสัมผัสผิดกับซายทุกขนทุกแห่งในโลกมนุษย์อย่างที่เปรียบไม่ได้เลยโดยเฉพาะเมื่อเราปล่อยให้ไหลผ่านซอกนิ้วมือเข้าไปก็จะรู้สึกว่าไม่มีความแข็งหรือสากเลยแม้แต่น้อยเอ็ดวินได้กล่าวว่าถ้าเราพิจารณาดูสรรพสิ่งทั้งหลายโดยรอบตัวเราอย่างใกล้ชิดและถี่ถ้วนเช่นนี้แล้วเราจะต้องได้รับความประหลาดใจยังไม่รู้จักจบสิน้น เพราะในดินแดนอันเป็นทิพย์เช่นนี้ไม่ว่าจะเหลียวมองไปทางใดคือไม่ว่าเราจะพิจารณาดูบ้านช่องหรือดินทรายหรือสับประสิ่งทั้งหลายทั้งเล็กและใหญ่รอบๆตัวเราก็ดีเราจะเห็นว่ามันเป็นของประหลาดมหัศจรรย์ทั้งสิน้นเมื่อคิดเทียบกันตามความรู้สึกของชาวโลกมนุษย์นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ก็จะยิ่งได้รับความพิศว ง, งงงวยอย่างยิ่ง และเขาจะพบว่าต้องเริ่มต้นการค้นคว้ากันใหม่หมดตั้งแต่ต้นทีเดียวรูทกับข้าพเจ้าได้เอื้อมมือไปวักน้ำทะเลขึ้นมาทดลองชิมดูซึ่งเราคิดว่าอย่างน้อยก็คงจะมีรสเค็มตามธรรมดาของน้ำทะเลบ้างไม่มากก็น้อยแต่ก็เป็นการคาดผิดอีกเพราะปลากวดว่าไม่มีรสอย่างใดเลยอันที่จริง พื้นน้ำเบื้องหน้าที่เราเรียกกันว่าทะเลนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นทะเลโดยการที่อาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลเท่านั้นเองส่วนคุณลักษณะอื่นๆ น, นอกจากนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นลำธารหรือสระขนาดใหญ่ซะมากกว่ารูทดูรู้สึกว่าอยากจะไปเที่ยวชมทิวทัศน์ของเกาะโดยใกล้ชิดเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ติดขัดอยู่ที่ว่าเราไม่รู้จักกับเจ้าของเรือเหล่านั้น จึงอาจจะเป็นการลำบากอยู่บ้างในการติดต่อขออาศัยโดยสารไปรยังที่หมายแต่ปัญหานี้ก็เป็นอันแก้ตกโดยเอ็ดวินเช่นเคยเพราะเขากล่าวว่าเจ้าของเรือลำงามลำหนึ่งที่แล่นไปมาอยู่นั้นเป็นสหายสนิทของเขาเองดังนั้นจึงเป็นอันว่าไม่มีปัญหาอย่างใดในเรื่องนี้เลยแต่เขาได้กล่าวต่อไปว่า อันที่จริงในเรื่องเช่นนี้แม้เราจะไม่เคยรู้จักผู้ใดมาก่อนก็ไม่มีปัญหายุ่งยากแต่อย่างใดเลยเพราะเราอาจเข้าไปหาเจ้าของเรือแนะนำตัวเองด้วยก็ได้ถ้าเราต้องการจะทำตามประเพณีของโลกมนุษย์ซึ่งไม่มีความจำเป็นอย่างใดในโลกนี้แจ้งความประสงค์ของเราให้เขาทราบซึ่งรับรองว่าจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดรังเกียจเลย เพราะในดินแดนแห่งนี้ทุกคนยินดีจะช่วยเหลือกันและกันและมีความเป็นกันเองเหมือนกันหมดไม่มีการถือพวกเขาพวกเราแต่อย่างใดเลยกล่าวแล้วเอ็ดวินก็ส่งกระแสจิตไปยังเจ้าของเรือยอชลำงามลำหนึ่งซึ่งจอดทอสมออยู่ไม่ไกลนักและในขณะต่อมาก็ได้รับคาเชิญพวกเราทุกคนจากเจ้าของเรือผู้ใจดีด้วยความยินดี เราก็ไม่รอชักช้าเหมือนกันเพราะในขณะต่อมาเราก็มาปรากฏกายอยู่บรรดาดฟ้าเรือยอชล้ำงามที่ว่านี้ทันทีเจ้าของเรือเป็นชายท่าทางใจดีได้แนะนําพวกเราให้รู้จักกับพัญญาของเขาซึ่งดูท่าทางเป็นคนใจดีสมกันอย่างยิ่งทั้งสองได้ทราบจากเอ็ดวินว่าข้าพเจ้ากับรูตเป็นผู้เพิ่งมาถึงดินแดนนี้ไม่นาน และมีความกระหายอยากรู้อยากเห็นเรื่องนี้เป็นอันมากจึงได้พาเราเดินชมรอบๆ บ, บริเวณด้วยความเต็มใจเมื่อได้เข้ามาพิจารณาโดยใกล้ชิดเราจึงเห็นว่าเครื่องอุปกรณ์หลายอย่างที่เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเรือในโลกมนุษย์นั้นไม่มีอยู่ในเรือลํานี้เลยตัวอย่างเช่นสมอเรือเป็นต้น เนื่องจากไม่มีคลื่นลมร้ายแรงดังเช่นทะเลในโลกมนุษย์สมอเรือจึงเป็นอันหมดความจำเป็นไปโดยปริยายแต่ท่านเจ้าของเรือก็ได้กรุณาบอกแกเรา ว, ว่าเจ้าของเรือลาอื่นๆนั้นบางทีก็ยังรู้สึกเสียดายด้วยอาศัยความเคยชินในโลกมนุษย์จึงมีสมอไว้เพื่อให้ครบเช่นนั้นเองมิเช่นนั้นใจของเขาจะรู้สึกไปเองว่า ยังมีเครื่องอุปกรณ์ไม่ครบบริบูรณ์เท่าที่ควรจะมีบนดาดฟ้ามีที่ว่างมากมายพอที่จะนั่งเล่นหรือนอนเล่นได้อย่างสบายโดยไม่มีสิ่งใดมาทำให้เกะ ก, กะกีดขวางเลยรูดดูเหมือนจะผิดหวังอยู่บ้างที่เที่ยวเดินหาห้องเครื่องเท่าใดก็ไม่พบข้าพเจ้าเองก็เช่นเดียวกันเพราะตามความรู้สึกอันเคยชินของเราก็คิดว่า เรือนใหญ่โตเช่นนี้คงจะไม่สามารถแล่นไปได้โดยลําพังตนเองอย่างแน่นอนท่านผู้เป็นเจ้าของเรือดูเหมือนจะทราบกระแสจิตของเราได้ดีจึงได้พาเราไปชมที่ห้องบังคับการเรือทันทีขณะนั้นเองเราก็ยิ่งได้รับความงงงวยเป็นทวีคูณในเมื่อเห็นว่าเรือลํานี้ค่อยๆแล่นออกจากที่จอดและเร่งความเร็วขึ้นทุกขณะ เราพากันวิ่งไปที่ข้างเรือเพื่อจะพิสูจน์ความรู้สึกให้เห็นชัดด้วยสายตาและก็เป็นจริงดังนั้นบัดนี้เรือของเรากําลังแล่นออกห่างจากฝั่งมาทุกทีท่านเจ้าของเรือและเอ็ดวินหัวเราะ อ, อย่างรื่อนเริงไม่เห็นท่าทางตื่นเต้นของเราเช่นนั้นเมื่อเราถามถึงเหตุผลท่านก็ได้กรูณาชี้แจงให้ฟังอย่างชัดเจน พลังของความคิดหรือการอธิษฐานจิตเป็นสิ่งที่ภัศาลไม่มีขอบเขตในแดนอันเป็นทิพนี้ท่านกล่าวขึ้นและดังนี้เรายิ่งใช้กระแสรวมเพ่งไปณที่ใดมากขึ้นเพียงใดพลังของมันก็มากขึ้นเพียงนั้นการไปไหนมาไหนของพวกเราในแดนนี้สำเร็จได้โดยพลังแห่งการอธิษฐานจิตชั้นใดเราก็สามารถใช้พลังนี้ กับสิ่งต่างๆที่ในโลกมนุษย์ปรากฏเป็นของไม่มีชีวิตฉันนั้นเหมือนกันอันที่จริงเราอาจกล่าวได้ว่าในแดนแห่งโลกทิพนี้ไม่มีสิ่งใดเลยที่ไม่มีชีวิตดังนั้นหากเราปรารถนาจะให้เรือของเราแล่นไปในทางทิศใดเราก็เพียงแต่ตั้งใจมั่นนึกให้เรือของเราแล่นไปในทางทิศนั้นๆก็เป็นการเพียงพอแล้วอันที่จริง หากเราต้องการที่จะเดินเรือด้วยเครื่องจักรอันสลับซับซ้อนดังเช่นในโลกมนุษย์ก็ย่มทำได้เพราะมีผู้ชำนาญในทางนี้อยู่ไม่น้อยซึ่งพร้อมและยินดีที่จะให้ความสะดวกแก่เราเสมอแต่จะมีประโยชน์อะไรในการที่จะใช้วิธีอ้อมเช่นนั้นในเมื่อเราสามารถใช้วิธีตรงคือบังคับการเดินเรือด้วยกำลังจิตของเราได้ในฉับพลันอยู่แล้ว แต่ในเรื่องเช่นนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าใครๆก็สามารถจะกระทำเช่นว่านี้ได้เสมอไปเพราะเรื่องเช่นนี้ค่อนข้างจะเป็นศิลปะที่ต้องการเวลาและการฝึกหัดประกอบกับใจรักทางนี้อยู่ด้วยเหมือนกันจึงจะทำได้มีผลดีความจริงข้อนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นประจักษ์ชัดอย่างยิ่งว่าพลังของความคิดนี้มีอนุภาพยิ่งใหญ่เพียงใด เมื่อเราได้ส่งแรงเคลื่อนไหวจากดวงจิตของเราไปให้แกเรือแล้วต่อจากนั้นก็เป็นอันไม่ต้องกังวลอีกต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาที่เราต้องการจะให้มันหยุดและในขณะที่เรานึกต้องการจะให้เรือหยุดไม่ว่าจะเป็นการนึกโดยฉับพลันเพียงใดก็าตามจะสามารถทําให้เรือหยุดนิ่งได้ทันทีไม่มีการกังวลเรื่องอุบัติเหตุกันเลยในที่นี้ เพราะสิ่งเช่นนี้ย่อมไม่มีและจะมีขึ้นไม่ได้เป็นอันขาดในแดนอันเป็นทิพย์ซึ่งอนุภาพของความคิดหรือกระแสจิตอยู่เหนือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นในระหว่างนี้เรือของเราได้แล่นใกล้เกาะเข้ามาทุกขณะความดีอีกประการหนึ่งของการเดินทางมาในเรือเช่นนี้ก็คือเราจะไม่รู้สึกถึงความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรเลยเพราะเมื่อไม่มีเครื่องจักรเป็นตัวการเสียแล้ว ปัญหาเช่นว่านั้นก็หมดไปเมื่อเรือยิงแล่นใกล้เกาะเข้าไปรูตก็ยิ่งแสดงอาการตื่นเต้นยิ่งขึ้นพัญญาของผู้เป็นเจ้าของเรือนั้นเมื่อเห็นกิริยาของรูตก็อดที่จะพลอยตื่นเต้นไปด้วยไม่ได้เธอกล่าวว่าแม้เธอจะไม่ใช่ผู้ที่เพิ่งมาสู่สถานที่นี้ก็ตามแต่ความมหัศจรรย์ของสิ่งต่างๆในที่นี้นั้น เมื่อเธอนึกถึงขึ้นมาครั้งใดก็อดที่จะตื่นเต้นไม่ได้เสมอขณะนี้เรือได้เข้ามาใกล้จนลายเห็นฝั่งได้ถนัดเราได้แล่นเรียบชายฝั่งไปพักหนึ่งก็มาถึงอ่าวเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งเหมาะที่จะเป็นที่ขึ้นชมภูมิประเทศอย่างยิ่งทัศนียภาพของเกาะนี้ไม่ได้คลายความงดงามลงไปเลยแม้ในเมื่อเราได้พิจารณาดูโดยใกล้ชิด มีบ้านอยู่ไม่มากนักแต่มีต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่โดยทั่วไปตามต้นไม้เราได้แล่เห็นนกสีสวยสดงดงามน า, นานาชนิดเกาะอยู่บ้างและบินไปมาบ้างนอกจากนั้นบางตัวกำลังเดินไปมาอย่างร่าเริงอยู่บนพื้นดินก็มีที่น่าประหลาดก็คือไม่มีตัวไหนที่แสดงความหวาดกลัวเราเลย แม้ในเมื่อพวกเราขึ้นจากเรือเดินลัดเลา ะ, ะไปตามชายฝั่งมันก็เดินตามเรามาต้ยๆอย่างน่าเอ็นดูหากเราแบะมือยื่นออกไปเจ้าตัวเล็กๆบางตัวก็ขึ้นมาเกาะบนฝ่ามืออย่างสนิทสนมดูเหมือนจะรู้ว่าไม่มีภัยอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นแก่มันได้เลยซึ่งความจริงก็เป็นเช่นนั้นในดินแดนอันผาสุกสงบนี้ ไม่มีความทุกข์ทรมานและความยากลำบากอันนับไม่ถ้วนซึ่งเกิดจากการแย่งกันกินเพราะความหิวด้วยเหตุนั้นจึงไม่มีศัตรูหรือภัยอันตรายที่จะต้องระวังตัวแต่อย่างใดเทพเจ้าไม่สามารถจะพรรณนาให้เท่าเทียมกับความจริงได้ถึงความไพเราะเยือกเย็นของเสียงร้องของนกบางจำพวกว่ามีประมาณเพียงใดกล่าวได้แต่เพียงว่า สภาวะแห่งจิตใจของเราผู้ซึ่งเพลินอยู่กับการชมผู้มิประเทศอันสวยสดงดงามและได้สดับเสียงเพลงแห่งธรรมชาติคลออยู่ตลอดเวลาเช่นนี้นั้นเป็นความผาสุกและอิ่มเอิบอย่างสูงจนหาคำบรรยายให้เท่าเทียมไม่ได้จริงๆความประหลาดอีกประการหนึ่งก็คือว่ากระแสจิตของพวกเรากับสัตว์เหล่านี้ ดูเหมือนจะส่งถึงกันและเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีเมื่อเราร้องเรียกนกตัวใดมันจะเข้ามาหาโดยทันทีสภาวะแห่งธรรมชาติรอบด้านเช่นนี้ทำให้ข้าพเจ้าอดคิดถึงบุคคลใจแคบบางจำพวกในโลกมนุษย์วิได้น่าสงสารและเป็นการร้ายเหตุผลอย่างยิ่งที่เขาเหล่านั้นพากันคิดว่า ความสุขสำราญและความสวยสดงดงามต่างๆนั้นเป็นของมีประจําอยู่สําหรับโลกมนุษย์เท่านั้นมนุษย์ส่วนมากหลงเข้าใจผิดว่าโลกของตนเท่านั้นที่มีความสวยสดงดงามต่อเมื่อเขาได้ละ ก, กายเนื้อผ่านเข้ามาสู่ดินแดนเช่นนี้แล้วเท่านั้นที่เขาจะได้เห็นความจริงว่าความสวยสดงดงามของธรรมชาตินั้นวิจิตพิสดารและยิ่งใหญ่เพียงใด ระหว่างทางเราได้พบบุคคลบางคนเดินสวนทางมาเขาเหล่านั้นได้ทักทายเราด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดีรู้สึกว่าบุคคลเหล่านี้มีชีวิตอันสงบสุขอยู่กับธรรมชาติและนกเป็นอย่างดียิ่งเราได้รับคําบอกเล่า ว, ว่าสัตว์บนเกาะนี้มีนกอย่างเดียวเท่านั้นทั้งนี้มิใช่ว่าหากมีสัตว์อื่นเข้ามาปะปนอยู่ด้วยแล้ว บรรดานกเหล่านั้นจะได้รับอันตรายก็หาไม่ได้เพราะอันตรายแห่งชีวิตนั้นเป็นของที่หาไม่ได้ในสถานที่เช่นนี้แต่ที่ไม่มีสัตว์ชนิดอื่นแปลกปลอมเข้ามาอยู่ด้วยก็เพราะว่าเมื่ออยู่ด้วยกันตามลำพังของสัตว์ประเภทเดียวกันแล้วนกเหล่านั้นจะมีความสุขมากกว่าที่จะไปอยู่ป่าปนกับสัตว์ประเภทอื่น หลังจากได้เดินเที่ยวชมธรรมชาติอันงดงามและฟังเพลงทิปซึ่งขับกล่อมโดยเสียงดนตรีแห่งธรรมชาติอยู่จนอิ่มใจแล้วเราก็กลับมาขึ้นเรือเพื่อกลับสถานที่พำนักของเราเราได้กล่าวคำขอบคุณและอำลาท่านผู้เป็นเจ้าของเรือผู้ใจาอารีด้วยความอาลายัยและสัญญาว่าจะหาโอกาสมาเยี่ยมเ ย, ยนใหม่ให้ได้ในโอกาสหน้าอันสมควร